ข้อความในปกินกะพุทธวงศ์เนี่ยนะข้อหน้า736ถ้อาถ้าถอยหลังนับจากกลับนี้ไปเนี่ยจำนวนกลับที่นับไม่ได้ที่เราเรียกว่าอาสงไข่เนี่ยหรือว่าพอแล้วเลิกแล้วเลิกนับแล้วคำว่าอาสงไขแปลว่าเลิกนับหรือไม่นับติดต่อไป ถ้าหากว่าเลิกนับอยู่4ี่ครั้งด้วยกันเนี่ยหรือว่านับไม่ได้สี่ครั้งเนี่ยมีพระพุทธเจ้าผู้นำพิเศษเกิดขึ้นในโลกโดยเฉพาะเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วเนี่ยมีพระพุทธเจ้าสี่องค์คือพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสรารนังกรและพระพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์เหล่านั้นผู้ชินเจ้ามีในกลับเดียวกันอันกลับนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสี่พระองค์ แล้วก็หมดอสงไขที่หนึ่งผ่านไปโลกว่างจากพระพุทธศาสนาหนึ่งอสงไขยด้วยกันต่อจากสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกรพระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าโกนทัญญะมีพระองค์เดียวในกับหนึ่งทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะ ก็คือระหว่างกับของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรและโกนธัญะเป็นอันตรกับนับไม่ถ้วนก็คือเป็นอสงไขยเลยแหละห่างกันมากจากพระพุทธเจ้าทีปังกรถึงพระพุทธเจ้าโกนธัญะว่างไปหนึ่งอสงไขยต่อจากสมัยพระโกนธัญะพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำพระนามว่ามังคละระหว่างกับของพระพุทธเจ้าทั้งสองนั้นเป็นอันตรกับนับไม่ถ้วนหมายคาว่า ตั้งแต่พระพุทธเจ้าโกนธัญะถึงพระพุทธเจ้ามังคละนั้นห่างกันเป็นอสงไขยพระมุนีสุมังคละสุมาณเรวตัตโสพิตะทั้งสองค์นั้นผู้มีจักสุธรรมแสงสว่างแม้เหล่านั้นก็เกิดขึ้นในกับเดียวกนนันก็ถือว่าเป็นกับที่เจริญรุ่งเรืองมากมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์คือพระพุทธเจ้าสุมังคลสุมณเรวตัตและโสพิตะ ต่อจากสมัยของพระพุทธเจ้าโสพิตะก็มีพระมหามุนีพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมะทะัทถสีระหว่างกับของพระพุทธเจ้าทั้งสององนั้นเป็นอันตรกับนับไม่ถ้วนก็คือจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะถึงอโนมะทถสีเนี่ยห่างกันหนึ่งอสงไขยเรียก ว, ว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นอสงไขยพระพุทธเจ้าผู้นำคือพระพุทธเจ้าอโนมัทะสี ปธุมะและนารทะพระมุนีพทธเจ้าผู้ทำที่สุดแห่งความมืดแม้เหล่านั้นก็ได้มีในกัปเดียวกันคือในกัปนั้นะนะเมื่อหนึ่งอสงไขยที่แล้วถอยจากนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสพระองค์สองพระองค์ะนะปทุมะกับนารทะต่อจากสมัยของพระนารทะพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำพระนามว่าปทุมุตระทรงอุบัตในกัปหนึ่ง ทรงอย่างหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอกระนะมันพระพุทธเจ้าประนามว่าปทุมมุตระนี่ห่างจากนี้ไปเท่าไหร่แสนกับน น, นปะปฐุมมุตระนี่แสนกับเพราะฉะนั้นในระหว่างพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระเป็นอันตรกับนับไม่ถ้วนก็คือเป็นอสงไขยเลยห่างมาก ในกับที่แสนเนี่ยนะถอยจากกลับนี้ไปมีพระมหามุนีพระองค์หนึ่งพระนามว่าปทุมุตระผู้รู้แจ้งโลกผู้ควรของต้อนรับของบูชาในสามหมื่นกับต่อจากพระปทุมุตระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าสององค์คือพระพุทธเจ้าสุเมทะและพระพุทธเจ้าสุชาตะใน1800งพักับก็มีพระพุทธเจ้าสามพระองค์เกิดขึ้น คือพระปิยทัศศีอัฏฐทัศนีและธรรมทัศีต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะพระพุทธเจ้าสามพระองค์ผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเทา้าไม่มีบุคคลใดเปรียบเทียบในโลกเสด็จอุบัติขึ้นในกลับเดียวกันต่อจากกลับนี้ไปเนี่ยนะในกลับที่เก้าสิบสีมีพระมหามุนีพระองค์เดียวพระนามว่าเศรษฐผู้รู้แจ้งโลก ผู้ยอดเยี่ยมโดยบุญและลักษณะเนี่ยนะบุญยลักษณ์ก็คือหมายถางว่าลักษณะแต่ละส่วนของพระองค์นั้นบุญบารมีที่พระองค์สร้างมาตกแต่งต่อจากกับที่92นับแต่กับนี้มีพระผู้นำสองพระองค์คือพระสัมพุทธเจ้าติดสะและพระปุะิสะผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบ ต่อแต่กลับนี้ในกับที่91มีพระพุทธเจ้าผู้นําโลกพระนามว่าวิปสัสสีพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นทรงประกอบด้วยพระมหาการุณาทรงปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องผูกพันแล้วต่อจากกลับนี้ในกับที่31มีพระผู้นำสององค์คือพระพุทธเจ้าสิกขีและเวสภูผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบในพัะตะกับ กับนี้เนี่ยนะกับเราทุกวันนี่ก็มีพระพุทธเจ้าผู้นํา3พระองค์เกิดขึ้นแล้วคือพระพุทธเจ้ากัจจุสันทะโกนาคมาณะและพระกัสสปะจวบจนถึงพระพุทธเจ้าของเราผู้เป็นสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันอนาคตต่อไปก็คือพระเมตไตรเนี่ยนะพระเสียรยะเมตไตรพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นในกลับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น5พระองค์เป็นปราฏผู้กรุณาต่อโลกผู้หวังปลดเปลื้องโลกให้พ้นจากทุก บรรดาผู้พระผู้เป็นธรรมราชาเหล่านั้นพระโคตมะพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสาวกบอกทางนั้นคือบอกอริยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแก่เหล่าสัตว์อื่นหลายโกฎแล้วก็ปรินิพานไปแล้วแหลก็คือพระพุทธเจ้าทั้งยีสิบพระองค์นั้นปรินิพานไปแล้วนะสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น28ดพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็อันตรธานไปจากโลกแล้ว พระพุทธเจ้าเหล่านั้นสงเคราะห์เกื้อกูลอนุเคราะห์แก่โลกช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์แล้วพระองค์ก็ดับขันปริญิพานประดุดดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างในยามกลางวันแล้วก็ล่วงลับคล้อยไปย้อนกลับมาว่าในกัปเดียวกันมีพระพุทธเจ้าห้าองค์คือกัปนี่นะกัปนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น5องค์มีกัปุสันทัโกนาคามนากัส ป, ปะพระพุทธเจ้าของเราและอนาคตพระเมตรย ส่วนถอยหลังไปเมื่อ31มกัปเนี่ยนะจากกัปนี้ถอยหลังไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์พระพุทธเจ้าสีข่ขีและเวสภูถ้าถอยหลังไปอีก91กัปมีพระพุทธเจ้าพระนาม ว, ว่าเวปสัสสีเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไปอ่าเก้บกัปมีพระพุทธเจ้าติดสะและปุตสะถ้าถอยหลังไป94กัปมีพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธะเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไปประมาณ 1,800 กัป หนึ่งพันแกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์พระปิยทัศนีอัฏฐทัศนีและธรรมทัศนีถ้าถอยหลังไปส 0,000 ื่นกับมีพระพุทธเจ้าเกิดสององค์คือพระสุเมทะและสุชาตะถ้าถอยหลังไปแสนกับมีพระพุทธเจ้าพระนามวาปทุมุตระเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไปอ่านะถ้าถอยหลังไปเท่าไหร่เกิดสมัยที่พระพุทธเจ้าปฐุมะกับนารทะเนี่ยนะ ออสงไขยที่สก็คือถ้าถอยหลังไปหนึ่งอสงไขยเหมือนกันเถอะหนึ่งอสงไขยแสนกลับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์คืออโนมทัศสีปทุมะและนารทะถ้าถอยหลังไปสองอสงไขยก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมังคละสุมาณเรวตะและโสพิตะถ้าถอยหลังไปสอสงไขยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าโกนทัญญะถ้าถอยหลังไปสี่อสงไสสงขยแสนกลับ มีพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสารนางกรและทีบังกรน่ยนะระยะเวลานื่นนานมากนนะแต่ว่าจากการศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะทำให้เรารู้เหตุการณ์ในอดีตบ้างว่าในอดีตเมื่อสี่อสงไขยที่แล้วอสงเสียสงไขยแสนกลับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์ถ้าหากว่าเมื่อสามอสงไขยแสนกลับที่แล้วมีองค์เดียวเมื่อสองอสงไขยแสนกลับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์ เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์เมื่อแสนกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เดียวเมื่อสามหมื่กับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์เมื่อหนึ่งพันแปดรอกัปที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสพระองค์เมื่อเก้าสบกัปที่แล้วมีพระองค์เดียวเมื่อเก้าสบองกัปที่แล้วมีสองพระองค์เมื่อเก้าบอดกัปที่แล้วมีพระองค์เดียวเมื่อ31มสิบอดกัปที่แล้วมี สององกับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นรวมทั้งหมดห้าพระองค์ผ่านไปสามเหลือหนึ่งเนี่ยนะของเราก็มาปลายปลายองค์ที่สี่เนี่ยนะรุ่นปลายฝนเนี่ยนะเหลือแต่น้ำหมอกน้ำค้างไม่มากนะฟังธรรมปัจจุบันนี่ก็คล้ายกับฟังจากน้ำหมอกน้ำค้างอะนะไม่ใช่ฝนแท้เหมือนกันนะนก็ทำบุตามสมควรแก่บุญเนี่ยนะจะไปโทษใครก็ทำบุญมาเท่าใดมันก็ได้รับเท่านั้นะมั้ง ไปโทษดินฟ้าอากาศโทษฝนฟ้าโท ษ, โทษ น, นะก็ดีกว่าไม่ได้ฟังนะมีน้ำค้างเรียกว่าอะไรนะพอชุ่มลิ้นบ้างดีกว่าคอแห้งผากไม่มีอะไรเลยน ะ, ะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับแบ่งพระาธาตุเนี่ยนะก็จะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งนี้ก็มาดูเกี่ยวกับปกินากะตามอาัตถกากรปกินากาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรียกวเวมัตต พูดถึงเวมัตต์ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ความแตกต่างกันอยู่แปดอย่างด้วยกันคือพระพุทธคุณเนี่ยไม่แตกต่างกันอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวานุตโรปุริสธรรมสาระิสาถาเทวมนุษย์สานักพุทโภควาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีความต่างกันเลยแต่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องรู ป, ปธรรมทั้งหลายเช่นอายุมะัตต์เนี่ยนะ อายุของพระพุทธเจ้าแต่พระแต่ละพระองค์ก็ต่างกันประมาณนะนะเรียกว่าประมาณประมาณของพระพุทธเจ้าก็ต่างกันกุละเวมตะตระกูลก็ต่างกันประธานะเวมตะความเพียรก็แตกต่างกันรัสมีเวมตะรัสมีแตกต่างกันยานะเวมตะก็คือยานพาณะที่ออกบวชก็ต่างกันโพที่เวมตะต้นไม้ที่ตรัสรู้ก็ต่างกันโพที่ปลังกะเวมตะก็คือ โพธิบลังเนี่ยนะก็แตกต่างกันอธิบายตามลำดับว่าชื่อว่าอายุเวมะตะความแตกต่างกันแห่งพระชนมายุก็คือพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีพระชนมายุยืนนานมากนะบางองค์ก็มีพระชนมายุสั้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้า9้าพระองค์นี้คือทีปังโกโกนธัญญาอโนมัทสีปทุมมะปทุมุตระอัฏฐทัศสีธรรมทัศสีสิทธะติดสะ พระพุทธเจ้าเหล่านี้มีพระชนมาายุประมาณในยุคมนุษย์เกิดแสนปีแตอ่อายุจริงๆของพระองค์ก็ 80,000 ปีแต่ว่าพระองค์เกิดในยุคมนุษย์อายุแสนปีพระพุทธเจ้า7พระองค์คือพระพุทธเจ้ามังคลาสมณะโสพิตนารธาสุเมธสุชาตะปิยะทศีปุตสะพระองค์เหล่านี้มีพระชนมาายุเก้าหม่นปีอายุจริงก็ประมาณ 72,000 ปีนะ ส่วนพระพุทธเจ้าสององค์ก็คือเรวตะและเวสภูมีพระชนมายุทั้งหมดห0 0 0ื่นปีนะก็ก็สี่หมืก็ถอยหลังโดยลําดับนะส่วนพระพุทธเจ้าวิปัสสีมีพระชนมายุ 80,000 ปีพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านี้คือสิกขีกับกุสันทะโกนาขมณะกัสปะสิกขี 70,000 ปีกับกุสันทะสี 40, ่0มื่ปีโกนาขมนะสา0 0 0ื่นปีกัสปะสอง0 0ื่ปี ส่วนพร ะ, พระชนอายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยน้อยเกิดในยุคร้อยปีน่ยนะของเราแม้ถ้าเกิดในยุคร้อยปีก็ดีใจปัญหาไม่ถึงอย่างเงี้ยสิเนี่ยน ะ, ะ, ะประมาณอายุเนี่ยนะเรียกว่าอายุไม่มีประมาณอายุของพระพุทธเจ้ า, าทั้งหลายคือคือความแตกต่างกันเนี่ยเนื่องจากว่ากรรมที่ทําให้อายุยืนอายุสั้นเนี่ยแตกต่างกันอันนี้เรียกว่าความแตกต่างแห่ง อายุเพราะว่าบารมีของพระพุทธเจ้าองค์ใดมาแก่กล้าในยุคใดหรือว่าพระองค์ได้สร้างบุญมาที่จะทําให้อายุยืนหรืออายุสั้นนั่นเองส่วนอย่างที่ต่อไปนะประมาณประมาณนะเวมะตะก็คือประมาณประมาณก็คือความสูงความต่ําของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์พูดเฉลี่ยโดยปกตินะแต่ถ้าวัดกันจริงๆก็พระพุทธเจ้านั้นวัดกันไม่มีจบมีสิ้นวัดสูงเท่าไหร่กันแน่อันนะแต่นี้ถ้าพูดถึงประมาณแบบทั่วๆไปเนี่ยนะ แตกต่างกันก็คือบางพระองค์นี่สูงบางพระองค์ต่ำจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรเรวัตปิยะทัศนีอัตถาศีธรรมทัศนรีปิยทัศีมีสรีระสูง82ศอกพระพุทธเจ้าโกนธัญะมังคละนารธาสุเมธะพระวรกายสูง88ศอกแมมพวกเราเกิดในสมัยคนแคละเลยนึกไม่ออกอ น, นะนเราก็นึกว่าหือเห็นไหม แต่พวกยงบอกโอ้ยทําไมคนเนี่ยสูงจังเลยนอะมดมันเวลามดเนี่ยมันเงยขึ้นบวงมองดูมนุษย์อ่ะนะโอ้ยทําไมมนุษย์เนี่ยตัวสูงจังไต่ตั้งนานแล้วยังไม่ถึงไหนเลยเงี้ยนะมดอาจจะคิดอย่างงี้บ้างนะพวกเรามันก็ตัวน้อยๆเนี่ยก็มันกโอ้ยพระพุทธเจ้าทําไมสูงแท้เนี่ยนะนะก็มันคนแค่ะะสมัยถ้าไปเกิดในยุคสมัยนั้นเนี่ยเท่าไหรเพราะว่าเขาว่าพวกเราพวก พ, วกพิการแน่นอนเลยนะขาดสารอาหารอะไรเนาะทําไมมันต่ำจังเลยอย่างเงี้ยนะถ้าไปเกิดในยุคนั้นเนี่ยกลุ่มพิการอ่ะนะ ถายุมากๆแล้วดูชราก็าาเรียกอะไรก็คิดเอากันแล้วกันนี่ต่อไปในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมาณะนั้นพระองค์สูง90ศอกพระพุทธเจ้าโสพิตาอนมะทัทสีปฐุมะปฐุมุตระปุะมีสรีระสูงห้าสิบแศอกพระสุชาตะพระองค์มีสรีระสูง50ศอกพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธะติสสะเวสภูมีพระวรกายสูง60ศอก พระสิกีพระพุทธเจ้ามีศรีระสูงเจ็ดสิบศอกพระพุทธเจ้ากะกุสันทโกนาคัมนักัสปะกะกุสันทาก็สี่ิบศอกโกูนาคัมน่าสมสิบกัสปะก็ยี่สศอกพระพุทธเจ้าของเราก็ยกสิบแปดศอกนะคือจริงๆแล้วพระองค์ก็สูงกว่าคนปกติพระองค์จะเด่นเด่นกว่าคนปกติเยอะเลยแม้แต่ในสมัยเดียวกันนะสมัยพุทธกาลเนะส่วนตระกูลตระกูลนี้ก็แตกต่างกัน ว่าพระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็เกิดในตระกูลกษัตริย์บางพระองค์ก็เกิดในตระกูลพราหมณ์ก e ็คือบอกว่าถ้าพระพุทธสมัยใดเขานับถือพราหมณ์มากพระพุทธเจ้าก็จะเกิดในตระกูลพราหมณ์พระพุทธเจ้าสมองค์ที่ผ่านมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็คือในกัปนี้นะกัปนี้3องค์ก่อนนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์คือพระพุทธเจ้ากะปุสันทะโกนาคมาณะและกัสปะส่วนพระพุทธเจ้าอีก22พระองค์ที่เหลือเกิดในตระกูลกษัตริย์ทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรา โธตมะก็เกิดในตระกูลกษัตริย์พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี่เกิดในตระกูลพราหมณ์พระพุทธเจ้าเมตตยะเนี่ยนะเมตตยะเกิดในตระกูลพราหมณ์ประธามัตตประธานเวมัตตาก็คือการบำเพ็ญเพียรภาคเพียรในการเจริญโพธิปัจจยธรรมประธานก็คือเพียรละอาคุลเพียรเจริญกุศลเพียเร เ, ยเจริญโพธิปัจจยธรรมนั้นแต่แต่ละองค์ก็แตกต่างกันนะแล้วแต่ว่าอินทรีย์อินทรีย์ตอนออกบวชนี่แก่กล้ามไม่เท่ากัน ความแตกต่างแห่งการตั้งความเพียรรวบรวมโพธิปัขจะธรรมก็คือพระพุทธเจ้าทีปังกรโกลธั ญ, ญสมาณะอนุมัตสีสุชาตสิทธกะกัปุสันทะพออง์บัมเพนเพียร10เดือนใช้เวลา10เดือนรวบรวมโพธิปัขจะธรรมของเราในธาตุถ้าทําถูกนะคูณสิก็ยอมเหมือนกันนะส่วนพระพุทธเจ้ามังคะระโสมเ თ ติตสะและสิขีนั้นบัมเพญเพียรอยู่8เดือน พระพุทธเจ้าเรวตะ7เดือนโสพิตะสเดือนปทุมะกับอัฏฐทัศีและวิปัสสีครึ่งเดือนส่วนพระพุทธเจ้านาระปทุมมุตระธรรมทัศีและพระพุทธเจ้ากัสสปะรู้สบายมาก7วันนะสบายกว่าเพื่อนเลยนะเวันเนี่ยนะมีอยู่4องค์ด้วยกันส่วน6เดือนอนะ่ะหเดือนก็คือมีอยู่คือ4องค์อ่ะนะปิยทัศีปุษเวสภูโกนนะคมมะนะหเดือนพอมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโหเพิ่มบวก คูณสิหมดเลยนะพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญเพียรอยู่6ปีนานมากเลยนะอันนี้คือเรื่าความแตกต่างกันของการรวบรวมโพธิปัจจยธรรมประธานาเวมะตาประธานก็คือเพียรในการเจริญกุศลเพียรในการละกุศลรวบรวมพุทธกัลกฐธรรมเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าส่วนรัศมีเนี่ยนะความแตกต่างแห่งพระฉับพลัณรังสีรังสีหประการที่แผ่ซ่านจากปรวรกาย ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละมีรัศมีแห่งสรีระแผ่ไปหมื่นโลกธาตุสว่างที่สุดเลยนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะให้สว่างเหมือนกันทําได้หมดแต่ว่าอ่าแล้วแต่อัธยาศัยของบางองค์บางองค์ก็มีอัธยาศัยมากอย่างเช่นพระพุทธเจ้ามังคละส่วนพระพระประทุพมุตระ12โยต์วิปัสสี7โยต์สิกขีสโยต์กากุสันทะสิโยต์ ส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็วางหนึ่งโดยรอบส่วนพระพุทธเจ้านอกนั้นไม่แน่นอนแล้วแต่จังหวะมางแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่การและสมัยว่าสมัยไหนควรจะรัศมีไกลหรือใกล้นั่นเองก็คือแล้วแต่ว่าสัตว์จะสําเร็จประโยชน์เพราะการแผ่ฉับพันระลังสีของพระองค์หรือไม่นะจะได้รับประโยชน์คือบรรลุมรคลหรือไม่ไม่ใช่ว่าแม้อยากไปเที่ยวที่ไหนก็แปล่งแสงไปเรื่อยอันนั้ไม่ใช่ลักษณะนั้นอันนั้น ส่วนญาณนะเวมะตาคือเรียกว่ายานที่พระองค์ออกบวชนะพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ออกบวช ด, ด้วยยานช้างบางองค์ก็ยานมา้าบางองค์ก็ยานรถบางองค์ก็เดินนะบางองค์พระองค์ก็เดินไปบางพระองค์ก็ปราศาส์เนี่ยนั่งอยู่บนปราศาส์ปราศาส์เคลื่อนไปเองบางองค์ก็ไปด้วยวอเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรสุมาณสุมเมธาปุสสะสิกีและโกนาคมณะเนี่ยนะพระองค์ด้วยไปด้วยยานช้าง พระโกณธัญญะเรวตัตปทุมะปิยะทัศวิปัสสีและพระกระกุสัน t h ไปด้วยยานคือรถพระมังคลาสุชาตะอัทธาทศีติสสะพระโคตมะของเราเนี่ไปด้วยยานมาอนุมัทศสีสิทธะเวสภูไปด้วยวอพระนารทะไปด้วยพระบาทคือเดินไปพระโสดพิตปะปทุมมุตระธรรมทัศวีและพระกัสสปะไปด้วยปราสาทเนี่ยนะ เรียว่าเข้าชาญออกจากชาญน้อมไปบวชก็ประสาทเหาะพาไปเลยเนี่ยนะนะมีบุญมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่มีบุญเนี่ยนะนะแต่บางท่านก็ไปด้วยเครื่องบินนะ่ยนะแต่ว่าพรกลับมานะไปยังไงก็กลับมาอย่างนั้นก่อนกลับมาเรียนพระไตรปิฎกต้องนั่งนั่งนั่งนงนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนอ่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่นั่ ง, ง น, ททนะ น, นั่งนะั่งนั่่งนั ส่วนต้นไม้ที่ตรัสรู้เนี่ยนะต้นไม้เป็นที่ประดิสถานที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะแตกต่างกันนะที่ประทับนั่งนะสถานที่ตำแหน่งอาจจะที่เดียวกันแต่ว่าต้นไม้ที่ประทับนั่งตรัสรู้แตกต่างกันก็คื อ, คอพระพุทธเจ้าทีปังกรมีโรพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นกปิตนะคือต้นมะขิดพระพุทธเจ้าโกนธัญญะต้นสาละกาลยาณีหรือที่เรียวกว่าขานางนะนะ ส่วนพระพุทธเจ้ามังคลาสุมาณเรวตะโสพิตามีต้นไม้ชื่อว่าต้นนาคะคือต้นกากระทิงพระพุทธเจ้าอโนมทาทศีต้นอัชุะนะหรือต้นกลุ่มพระพุทธเจ้าปทุมะและนารทะมีต้นโพเพลกชื่อว่ามหาโซนหรืออ้อยช้างพระพุทธเจ้าปทุมมุตระมีต้นไม้ชื่อว่าสลระหรือสาละพระพุทธเจ้าสุเมธะมีต้นไม้ชื่อว่านีปะหรือกระทุม่มพระพุทธเจ้าสุชาตานี่ต้นไผ่ ปิยธาสีชื่อว่าต้นกกุทะคือต้นกลุ่มอัฐทาสีต้นจำปาธรรมทาสีต้นซองแมวแดงเนี่ยนะบางท่านก็บอกว่าต้นอะไรต้นมะพร้ากก็มีพระพุทธเจ้าสิทธัตถะบอกว่าต้นกันนิกาพระพุทธเจ้าติดสต้นประดูหรือว่าอัสนะหรือต้นประดูพระปุษสะต้นมะขามป้อมพระพุทธเจ้าวิปัสสีแครอย พระพุทธเจ้าสิกขีต้นกลุ่มบกเวสภูนะต้นสาระาปุนริกาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสิกขีเนี่ยหมายถึงมะม่วงนะปุนริกะหมายถึงมะม่วงอาจจะกถาที่บายเป็นมะม่วงหมดเลยนะส่วนพระพุทธเจ้าเวสภูนั้นต้นสาระกระกุสันทะต้นศึกโกนาคมานณะต้นอุทุมพรหรือต้นมะเดือ่อพระพุทธเจ้ากษัตริยต้นไทรพระพุทธเจ้าของเราก็คือต้นโพใบ ส่วนความแตกต่างแห่งโพธิบัลลังก์นะครับพระพุทธเจ้าพระองค์ใหญ่โพธิบัลลังก์ก็กว้างพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ใหญ่ก็โพธิบัลลังก์ก็แคบลงมา <c oughs> แตกต่างกันอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าเรวัตปิยะทะัศนีอัฏฐ ท, ทัศนีธรรมะทะัศนีและวิปสัสสีมีบัลลังก์อยู่ห3ศสิบสาอกนะความกว้างของบัลลังก์ส่วนพระโกนทัญยะมังคละนารทสุเมธะมีบัลลังก์ห้าสดซอก ของพระพุทธเจ้าสุมาณมีโพธิบาลัง60ซอกพระพุทธเจ้าโสพิตาอนมทัตสีปทุมะปทุมมุตระพุทธมีโพธิบาลัง38ศอกพระพุทธเจ้าสุชาตะ32ศอกพระพุทธเจ้าสิทธะติดสะเวสภู40ซอกพระพุทธเจ้าสิกี32ศอกพระพุทธเจ้ากากุสันทามี 26ศสโกโอกกูนาคมณา20่สอกพระกัสสปะ15ศอกพระพุทธเจ้าของเรา14ศสอกแต่ตอนนี้เขาไปปูไว้เท่าไหร่รู้ไหมกว้างประมาณสักเม็ดยาวสักสองเม็ดได้เขาทำแท่นให้ดูอะนะทำแท่นโชว์อะที่เขาปูดาวเรืองโชว์ตรงนั้นอะนะกว้างสักเม็ดหนึ่งยาวสองเม็ดนนแะแท่นแท่นที่ที่เราไปดูตอนนี้นะ ส่วนสถานที่สี่แห่งที่พระพุทธเจ้าไม่ละเลยเนี่ยนะหมายว่าพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะต้องมาใช้สถานที่4แห่งนี้เหมือนกันก็คือ1โพธิบัลลังก์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ละเนี่ยนะหมายว่าในกับใดตรงไหนเป็นที่โพจุดใดเป็นจุดโพธิบัลลังก์พระพุทธเจ้าองค์หลังๆก็มาตรัสรูณจุด น, น, นั้นเป็นสถานที่แห่งเดียวกันนะอย่างเช่นเน้นเนนในกับนี้นะพระพุทธเจ้ากากุสันทะโกนาขมนกัสปะ โคตมะและพระเมตยะข้างหน้าต่อไปก็ตรัสรู้บริเวณเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครไปไหว้ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้า5องค์ได้เลยอิติปิโสเอาไว้5ครั้งเลยถูกกันนะบอกอิติปิโสครั้งที่หนึ่งให้พระพุทธเจ้ากะกุสันทะอย่างนั้นอิติปิโสครั้งที่2พระพุทธเจ้าโกนาคมณะอิติปิโสครั้งที่3พระพุทธเจ้ากะสัปะถ้าอิติปิโสครั้งที่4พระพุทธเจ้าของเราอิติปิโสครั้งที่5เพื่อพระพุทธเจ้าข้างหน้าองค์ต่อไปเมตยะเนี่ยนะ หรือไม่ไปสวดว่า28พระองค์ก็ได้น่นะสวดเท่าไหร่ก็ได้เอาอะพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาที่สุดไม่ได้นะนะส่วนสถานที่ประกาศพระธรรมจักรก็เหมือนกนสถานที่เดียวกันก็คือณป่าอิสิป ต, ตนมฤคทายวันส่วนสถานที่พระองค์ไม่ทรงละก็คือสถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรกก็คือใกล้ประตูสังกัดสานครที่พระองค์เสด็จลงจาก เทวโลกเนี่ยนะจากดาววดึงส่วนไม่ทรงละอีกที่หนึ่งก็คือที่ขาเตียงนะขาเตียงสี่แห่งณนะบริเวณพระคันทกุตีณนะเฉตวันแล้วแต่ว่าวิหารใหญ่หรือวิหารเล็กนะแต่ว่าเตียงนี้ก็จะขาเตียงก็จะอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแม้แต่พระวิหารก็ไม่ละวิหารไม่ละแต่ว่านครเนี่ยละ นครเนี่ยไม่แน่นะนครบางทีอาจจะอยู่ที่เหนือที่ใต้ออกตกก็ได้หมดแหละรอบแต่ว่าบริเวณวัดเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งที่เดิมโดยเฉพาะพระคันตกุฏีเนี่ยที่เดิมแต่ว่าบริเวณวัดบางทีอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเมืองสาวัตถีอยู่ทิศเหนือวัดเชตวันอยู่ทิศใต้บางพระองค์เนี่ยเมืองอยู่ทิศตะวันออกบางพระองค์เมืองอยู่ทิศตะวันตกบางพระองค์เมืองอยู่ทางทิศเหนือก็แล้วแต่ไม่แนะ่นอน <off> <off> ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องใครขออภัยเรื่องสหาชาติก่อนนะสหาชาติยาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีผู้ที่เกิดพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เกิดคันเดียวกันนะหมายความว่าเกิดเวลาเดียวกันนี่อยู่เจ็ดอันด้วยกันคือหนึ่งพระมารดาพระราหุลก็เกิดพร้อมสองพระอานนท์สามพระฉันนะสี่พระยามาคันตกะห้าม่อขุมทรัพย์หกโพธิบาลังเจ็ดพระกาลุทายีถ้ารวมกันทั้งหมดก็เป็นแปดนะนะแดทั้งหมดนะนะแต่ว่านับ เขาเรียกว่าท่านนับบอกสหาชาติของพระพุทธเจ้าก็แปลว่าอย่านับพระพุทธเจ้าน่นะบอกมีเพื่อนอยู่7คนถ้ารวมกับตัวเองก็ต้องเป็น8สินะแต่บอกว่ามีเพื่อนอยู่7นี่ก็ลักษณะเดียวกัน